พระไตรปิฎกเล่มที่16สังยุตต น, นิกายนิทานวัร์สังยุตที่ห้ากัสปะสังยุตประมวลเรื่องพระมหากัสปะแสดงถึงการที่พระมหากัสปะไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคและมีพระพุทธดำรัสด้วยรวมทั้งเหตุการณ์อื่นๆเกี่ยวกับพระมหากัสปะสันตุทสูตรว่าด้วยความสันโดษ พระผู้มีพระภาคประทับอยู่นักเกตกรุงสาวัตถีทรงแสดงเรื่องนี้แก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายกษัสรปยนี้เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรเป็นผู้สันโดษด้วยบิณฑบาตเป็นผู้สันโดษด้วยเสยนาสนะเป็นผู้สันโดษด้วยกิฬานปัจจัยเภสัชบริขารตามมีตามได้และกล่าวสรรเสริญความสันโดษ ด, ด้วยจีวรบิณฑบาต เสนาสนะและกีฬานปัจจัยเภสัชบริการตามมีตามได้นั้นทั้งไม่ประกอบการสแสวงหาผิดที่ไม่สมควรไม่ได้ก็ไม่กระวนกระวายและได้แล้วก็ไม่ติดใจไม่หลงไม่ผัวพันมองเห็นโทษมีปัญญาเครื่องสลัดออกใช้สอยและบริโภคอยู่ภิกษุทั้งหลายรอเห็นนั้น เธอทั้งหลายพึงศึกษายอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้จกเป็นผู้สันโดษด้วยเสนาสนะด้วยบินธบาตตามมีตามได้จกเป็นผู้สันโดษ ด, นะ ด, ด, ด, ด้วยกิลานปัจจัยเภสัชบริขารตามมีตามได้และกล่าวสรรเสริญความสันโดษนั้นทั้งไม่ประกอบการสแสวงหาที่ผิดที่ไม่สมควรไม่ได้ก็ไม่กรวนกรวาย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 และเธอทั้งหลายผู้ได้รับโอวาทแล้วพึงปฏิบัติเพื่อความเป็นเช่นนั้นอนโนตปีสูตรว่าด้วยความไม่สะดุ้งกลัวสมัยหนึ่งท่านพระมหากษักร์และท่านพระสาวรีบุตรอยู่ในป่าอิสิปตฒนมลึกขทยวันเกตกรุงพาราณสีครั้งนั้น ท่านพระสารีบุตรออกจากที่หลีกร้นในเวลาเย็นเข้าไปหาท่านพระมหากัสสปะถึงที่อยู่ท่านพระสารีบุตรได้กล่าววา่าท่านกัสสปะผมกล่าววา่าภิกษุผู้ไม่มีความเพียรเครื่องเผากิเลสไม่มีความสะดุ้งกลัวเป็นผู้ไม่กวนเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานเพื่อบรรลุธรรมอันกเกษมจากโยคะอย่างยอดเยี่ยมส่วนภิกษุ ผู้มีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีความสะดุ้งกลัวเป็นผู้กวรเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานเพื่อบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะอย่างยอดเยี่ยมท่านพระมหากัสสปะถามว่าท่านผู้มีอายุภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีความเพียรเครื่องเผากิเลสไม่มีความสะดุ้งกลัวเป็นผู้ไม่กวรเพื่อนิพพานนั้นด้วยเหตุเท่าไหร่ลภิกษุ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 บาป ก, กุศลลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อเรายัางรักไม่ได้พึงเป็นไปเพื่อความพินาศไม่ทําความเพียรเครื่องเผากิเลสโดยคิดว่ากุศลลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นเมื่อไม่เกิดขึ้นแก่เราพึงเป็นไปเพื่อความพินาศไม่ทําความเพียรเครื่องเผากิเลสโดยคิดว่ากุศลลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วแก่เราเมื่อดับ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 ภิกษุชื่อว่ามีความสะดุ้งกลัวเป็นอย่างนี้ภิกษุผู้มีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีความสะดุ้งกลัวเป็นผู้ควรเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานควรเพื่อบรรลุธรรมอันกเกสมจักโยคะอันยอดเยี่ยมเป็นอย่างนี้แหละโยคะคือสภาวะอันประกอบสรไว้ในภพมีสี่ประการคือกามโยคะ ภาวะโยคะทิฏฐิโยคะและอวิชายโยคะจันทูปมาสูตรว่าด้วยการเปรียบเทียบภิกษุกับดวงจันทร์พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเขตกรุงสาวัตถีทรงแสดงเรื่องนี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเป็นเหมือนดวงจันทร์จงรากกายรกากจิตออกเป็นผู้ใหม่เป็นนิดไม่ขนองเข้าไปสู่ตระกูลทั้งหลายเถิดรากกายรกากจิตออกในที่นี้หมายถึงให้ภิกษุเว้นจากการตรึกตรองถึงกามวิตกเป็นต้นแม้ว่าจะอยู่ในบ้านหรืออยู่ในป่าก็ตามเป็นผู้ใหม่เป็นนิดหมายถึงให้ภิกษุทำตัวเหมือนอาคาันตุ ก, กะ ที่เข้าไปสู่ตระกูลถ้าเจ้าของบ้านเลื่อมใสนิมนต์ให้ฉันก็จงฉันแต่ถ้าเจ้าของบ้านไม่เลื่อมใสไม่นิมนต์ก็ไม่ควรเข้าไปทำความคุ้นเคยไม่ขนองหมายถึงให้ภิกษุสำรวมกายวาจาใจในเวลาอยู่่ํากลางหมู่คณะเป็นตน้น เปรียบเหมือนบุรุษพึงพราดกายพลากจิตและดูบ่อน้าซึ่งคล้งคร่ากู่เขาที่กรุกระหรือแม่น้ำที่ขาดเป็นวุ้งห่วงอุปมาณ้ฉันใดอุปมาอีกก็ฉันนั้นเธอทั้งหลายก็จงเป็นเหมือนดวงจันจงพราดกายพลากจิตออกเป็นผู้ใหม่เป็นนิดไม่ข น, นองเข้าไปสู่ตระกูลทั้งหลายกส ป, ปะ เปรียบเหมือนดวงจันทร์พรากายพรกจิตออกเป็นกู้ใหม่เป็นนิดไม่ขนองเข้าไปสู่ตระกูลทั้งหลายเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรภิกษุเช่นไรจึงสงกรนเข้าไปสู่ตระกูลภิกษุเหล่านั้นกราบทูลขอให้ทรงแสดงเนื้อความโดยพิสานครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงโบกฝ่าพระหัตในอากาศ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 ผู้ปรารถนาลาบจงได้ลาบส่วนผู้ปรารถนาบุญจงทำบุญกสปปเป็นผู้พอใจดีใจด้วยลาบอันเป็นของตนฉันใดก็เป็นผู้พอใจดีใจด้วยลาบของชนเหล่าอื่นฉันนั้นเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรธรรมเทศนาของภิกษุเช่นไรไม่บริสุทธิ์ ลักษของภิกษุเช่นไรบริสุทธิ์ภิกษุเหล่านั้นกราบภูลขอให้ทรงอธิบายพระผู้มีพระภาคจึงตรัสอธิบายว่าภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมีความคิดอย่างนี้ว่าเฉาไหนหนอชนทั้งหลายพึงฟังธรรมของเรากรั้นฟังแล้วพึงเลื่อมใสธรรมและผู้ที่เลื่อมใสแล้ว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 จึงแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นอาศยัยความกรุณาจึงแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นอาศยัยความเอ็นดูจึงแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นอาศยัยความอนุเคราะห์จึงแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นด้วยประการฉะนี้ธรรมเทศนาของภิกษุเช่นนี้ชื่อว่าบริสุทธิ์จากนั้น ตรัถึงท่านพระมาหากัสสปาว่าเป็นผู้มีคุณธรรมนั้นครบถ้วนธรรมเทศนาของกัสสปานั้นชื่อว่าบริสุทธิ์ภิกษุทั้งหลายเราจะกล่าวสอนเธอทั้งหลายให้ประพฤติตามกัสสปะหรือผู้ใดพึงเป็นเช่นกัสสปะเราจะกล่าวสอนให้ประพฤติตามผู้นั้นและเธอทั้งหลายผู้ได้รับโอวาทแล้ว พึงปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นกุลูปะกะสูตรว่าด้วยภิกษุผู้เข้าไปสู่ตระกูลพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเขตกรุงสาวกทีทรงแสดงเรื่องนี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรภิกษุเช่นไรสมควรเข้าไปสู่ตระกูลภิกษุเช่นไรไม่สมควรเข้าไปสู่ตระกูลภิกษุเหล่านั้นไม่ตอบแต่กราบทูลขอให้ทรงอธิบายพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมีความคิดอย่างนี้ว่า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 เข้าไปสู่ตระกูลชนทั้งหลายไม่ให้ภิกษุจึงอึดอัดเพราะสาเหตุนั้นเธอสวยทุบธงมณั์เพราะสาเหตุนั้นชนทั้งหลายให้น้อยไม่ให้มากเป็นต้นนั้นให้ของเศร้าหมองไม่ให้ของปราณีดให้ช้าไม่ให้เร็วให้โดยไม่เคารพไม่ให้โดยเคารพภิกษุจึงอึดอัดเพราะสาเหตุนั้น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 หรือชนทั้งหลายให้ของเศร้าหมองไม่ให้ของปราณีตให้ช้าไม่ให้เร็วชนทั้งหลายให้โดยไม่เคารพภิกษุนั้นก็ไม่อึดอัดเพราะสาเหตุนั้นเธอไม่สวยทุกโทมานั์เพราะสาเหตุนั้นภิกษุเช่นนี้สมควรเข้าไปสู่ตระกูลจากนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสถึงท่านพระมหากษัตริยว่า เป็นผู้มีคุณธรรมนั้นครบถ้วนเป็นภิกษุที่สมควรเข้าไปสู่ระกูลภิกษุทั้งหลายเราจะกล่าวสอนเธอทั้งหลายให้ประพฤติตามกัสปะหรือผู้ใดพึงเป็นเช่นกัสปะเราจะกล่าวสอนให้ประพฤติตามผู้นั้นและเธอทั้งหลายผู้ได้รับโอวาทแล้วพึงปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นสำหรับข้อนี้ การบินทบาตหรือรับอาหารของญาติโยมไม่ได้ทาด้วยความโลภนะครับแต่ทาด้วยความปรารถนาดีเพราะรู้ว่าเป็นบุญมากจึงมีจิตเมตตาปรารถนาจะให้ญาติโยมนั้นได้บุญมากๆกับประโยคที่ว่าขอชนทั้งหลายจงให้เราเท่านั้นจงให้ของประนีตแก่เราเท่านั้นข้อนี้ต้องทำความเข้าใจนะครับว่าไม่ใช่โลภอยากได้ของกิน แต่เพราะรู้ว่าเมื่อทำกับพระผู้มีศีลและทำด้วยของประณีตสิ่งที่ย้อนกลับไปเป็นบุญจะยิ่งประณีตกว่าหลายเท่าชินนสูตรว่าด้วยความแก่สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวรุวันครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสกับท่านพระมหากษัะดังนี้ว่า กษ ป, ปะบัดนี้เธอแก่แล้วผ้าป่านบางสุกุลเหล่านี้ของเธอนักไม่น่านุ่งหม่มเพราะฉะนั้นเธอจงใช้สอยกหาบดีจีวรจงบริโภคโชนะที่เขานิมนและจงอยู่ในสำนักของเราเถิดท่านพระมหากษั ป, ปะกราบทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัด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 และกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความมากน้อยเป็นผู้สันโดษและกล่าวสรรเสริญ <et> ค <ach es forward> ุณแห่งความสันโดษสงัดจากหมู่และกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความสงัดจากหมู่ไม่คลุกคลีด้วยหมู่และกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความไม่คลุกคลีด้วยหมู่เป็นผู้ปรารกความเพียรและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการปรารบความเพียรตลอดกาลนาน พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าเธอพิจารณาเห็นอำนาจประโยชน์อะไรจึงถือทุดงควัดทั้งหมดนั้นและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการถือทุดงควัดนั้นตลอดกาลนานท่านพระมหากษัตริทูลตอบว่าข้าพระองค์พิจารณาเห็นอำนาจประโยชน์สองประการจึงเป็นผู้ถือข้อปฏิบัติเช่นนั้น และกล่าวสันเสริญข้อปฏิบัติเช่นนั้นทั้งหมดตลอดกาลนานคือพิจารณาเห็นการอยู่เป็นสุขในปัจจุบันของตนข้อนี้หมายถึงการอยู่ป่าเป็นวัดอันเป็นสถานที่สัปปายะแก่การประพฤติ ธ, ธรรมเป็นสถานที่วิเวกส ง, งัดส ง, งบจากผู้คนและอีกประการหนึ่งเพราะอนุเคราะห์หมู่ชนในภายหลังว่าทำอย่างไรหมู่ชนในภายหลัง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 เธอจงนุ่งห่มผ้าป่านบางสุกุลที่ใช้แล้วจงเที่ยวบินทบาดและจงอยู่ในปา่าเถิดสำหรับผ้าบางสุกุลที่ใช้แล้วในที่นี้หมายถึงผ้าที่พระพุทธเจ้าทรงเคยใช้นุ่งห่มมาก่อนเป็นการอนุเคราะห์ท่านพระมหาคัศปักเนื่องจากว่าท่านชราภาพมากแล้วและใช้ผ้าเก่าที่หนักแต่ด้วยท่านถือทุดงควรัตเจาะจงผ้าที่ใช้แล้ว พระผู้มิพระภาคจึงทรงประทานผ้าของพระองค์โอวาทสูตรว่าด้วยการให้โอวาธพระผู้มีพระภาคประทับณพระเวลุวันเขตกรุงราชคกลืครั้งนั้นพระผู้มิพระภาคตรัสกับท่านพระมาหากัสริยดังนี้ว่า กัสปะเธอจงกล่าวสอนภิกษุจงแสดงธรรมมีกถาแก่ภิกษุทั้งหลายเถิดเราหรือเธอพึงกล่าวสอนพึงแสดงธรรมมีกถาแก่ภิกษุทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในบัดนี้ภิกษุทั้งหลายเป็นผู้ว่ายากประกอบด้วยธรรมะที่ทําให้เป็นผู้ว่ายากไม่อดทนไม่รับคําร่ําสอนโดยเคารพ ข้าพระองค์ได้เห็นภิกษุชื่อกัลธาศัตธิวิหาริศของพระอานนท์และภิกษุชื่ออภิจิกะสัตถิวิหาริศของพระอนุรุธะกล่าวล่วงเกินกันและกันด้วยสุดตะว่ามาเถิดภิกษุใครจะกล่าวได้มากกว่ากันใครจะกล่าวได้ดีกว่ากันและใครจะกล่าวได้นานกว่ากันครั้งนั้น รับสั่งเรียกภิกษุรูปหนึ่งไปเรียกภิกษุพันธะสัติวิหาริกของพระอนนนท์และภิกษุอภิจิกะสัตธิวิหาริกของพระอนุรุทธะมาเข้าเป้าเมื่อทั้งสองเดินทางมาเข้าเป้าแล้วตรัสถามว่าได้กล่าวล่วงเกินกันและการเช่นนั้นจริงหรือไม่ก็ได้รับคำตอบว่าจริงพระผู้มีพระภาคตรัสว่า เธอทั้งหลายรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วอย่างนี้เรือเธอทั้งหลายจึงกล่าวล่วงเกินกันและกันอย่างนั้นตอบว่าไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าถ้าเธอทั้งหลายไม่รู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วอย่างนี้โมคาบุรุษเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอทั้งหลายรู้เห็นอะไรบวชอยู่ในธรรมวินัยที่เรากล่าวดีแล้วอย่างนี้ยังกล่าวล่วงเกินกันและกันอย่างนั้น ลำดับนั้นภิกษุสองรูปได้น้อมศีรษะลงแทบพระบาทพระผู้มีพระภาคกราบทูลขออภัยโทษพระผู้มีพระภาคตรัสให้อภัยแก่ทั้งสองเพราะการที่บุคคลเห็นความผิดเป็นความผิดแล้วแก้ไขให้ถูกต้องและสำรวมต่อไปนี้เป็นความเจริญในวินัยของพระอริยะเรื่องโดยนัยเดียวกัน พระผู้มีพระภาคมีรับสั่งให้ท่านพระมหากัสสปะกล่าวสอนภิกษุแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายท่านพระมหากัสสปะกราบทูลว่าในบัดนี้มีภิกษุทั้งหลายเป็นผู้ว่ายากไม่รับคำพร่ำสอนโดยเคารพไม่มีศรัทธาไม่มีฮิริโอตปะไม่มีวิริยะและปัญญาในกุศ ล, ลธรรมทั้งหลายคืนวันที่ผ่านมา เขาหวังได้แต่แตความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายเท่านั้นหวังความเจริญไม่ได้เลยเปรียบเหมือนดวงจันทร์ข้างแรมย่อมอักแสงไม่เต็มดวงไร้รามีวัดความยาวและความกว้างไม่ได้ตลอดคืนวันที่ผ่านมาข้อที่บุรุษบุคคลไม่มีศรัทธานี้เป็นความเสื่อมข้อที่บุรุษบุคคลไม่มีหิรินินี้เป็นความเสื่อม ข้อที่บุรุษบุคคลไม่มีโอตประเป็นคนเกียจคร้านมีปัญญาสามเป็นผู้มักโกรธเป็นผู้ผูกโกรธนี้เป็นความเสื่อมข้อที่ไม่มีภิกษุผู้กล่าวสอนนี้เป็นความเสื่อมบุคคลบางคนมีศรัทธามีหิริโอตประมีวิริยะมีปัญญาในกุศลธรรมทั้งหลายตลอดคืนวันที่ผ่านมา เขาหวังได้แต่ความเจริญในกุศ ล, ลธรรมทั้งหลายเท่านั้นหวังความเสื่อมไม่ได้เลยเปรียบเหมือนดวงจันทร์ข้างขึ้นมีแสงเปล่งปลั่งเต็มดวงมีราศีเจิดจ้าวัดความยาวและความกว้างได้ตลอดคืนวันที่ผ่านมาข้อที่บุรุษบุคคลมีศรัทธานี้ไม่เป็นความเสื่อมข้อที่บุรุษบุคคลมีฮิริโอตปปะ ปรารพความเพียรมีปัญญาไม่เป็นผู้มากโกรธไม่ผูกโกรธไม่เป็นความเสื่อมข้อที่มีภิกษุผู้กล่าวสอนนี้ไม่เป็นความเสื่อมพระผู้มีพระภาคตรัสวา่าดีแล้วกัสปะตรัสรับรองข้อความของท่านพระมหากัสปะด้วยข้อความเดียวกันเหมือนกันทั้งหมด พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเขตกรุงราชเกื้ครั้งนั้นทรงมีรับสั่งให้ท่านพระมหากัสปักกล่าวสอนภิกษุแสดงธรรมีกถาแก่ภิกษุทั้งหลายกราบธูนตอบว่าในบัดนี้ภิกษุทั้งหลายเป็นผู้ว่ายากประกอบด้วยธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากไม่อดทนไม่รับคังพรำสอนโดยเคารพพระผู้มีพระภาคตรัสว่า กสปะจริงอย่างนั้นในครั้งก่อนภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเทรักเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการอยู่ป่าเป็นวัดเที่ยวบินทบาตเป็นวัดนุงห่มผ้าบางสุกุลเป็นวัดทรงไตรจีวรมักน้อยสันโดษสงัดจากหมูไม่คลุกคลีได้หมูคณนะเป็นผู้ปรารบความเพียร และกล่าวสรรเสริญแต่ละสิ่งนั้นบรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเทระย่อมนิมนเธอให้นั่งด้วยคำว่ามาเถิดภิกษุภิกษุรูปนี้ชื่อไรช่างเจริญจริงหนอใกล้ต่อการศึกษาแท้มาเถิดภิกษุนิอสนะนิมนท่านนั่งเถิด เมื่อภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเทระกระทาสักการะอย่างนั้นในภิกษุรูปนั้นภิกษุทั้งหลายผู้เป็นนวักกะคือผู้บวชใหม่พากันคิดว่าทราบว่าภิกษุรูปนั้นเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดเที่ยวบินทบาตเป็นวัดนุ่งห่มผ้าบางสุกุลเป็นวัดเป็นต้นนั้นภิกษุผู้เป็นเทระยอมนิมนต์ให้เธอนั่งด้วยคาไพเราะและสรรเสริญภิกษุนั้น ภิกษุผู้เป็นนวกักะเหล่านั้นเมื่อเห็นดังนั้นย่อมปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นข้อนั้นย่อมมีเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนานแต่ในบัดนี้ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเทระไม่อยู่ป่าเป็นวัดไม่กล่าวสรรเสริญกุลแห่งการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้ไม่เที่ยวบิณบาต ไม่นุ่งห่มผ้าบางสุกุลไม่ทรงตรายจีวรไม่เป็นผู้มักน้อยไม่เป็นผู้สันโดษไม่เป็นผู้สงัดจักหมูเป็นผู้คลุกคลีด้วยหมูคณะไม่ปรารบความเพียรและไม่กล่าวสรรเสริญคุณแห่งข้อปฏิบัตินั้นๆบรรดาภิกษุผู้เป็นเทระเหล่านั้นภิกษุรูปใดมีชื่อเสียงมียศ ได้จีวรบินทบาศนาสนะและกิลานปัจจัยเภสัชบริขารภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเทระย่อมนิมนต์ให้เธอนั่งด้วยคำว่ามาเถิดภิกษุภิกษุรูปนี้ชื่อไรช่างเจริญจริงหนาปรารบแต่เพื่อนสัปรงมาจารีด้วยกันแท้มาเถิดภิกษุนิอาสนะนิมนต์ท่านนั่งเถิดเมื่อภิกษุทั้งหลาย ผู้เป็นเทระกระทาสักการะอย่างนั้นในภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายผู้เป็นนวั ก, กะจึงพากันคิดว่าทราบว่าภิกษุรูปนี้มีชื่อเสียงมียศได้จีวรบินทะบาสนาส น, นะและขีลานปัจจัยเภสัชบริขารทั้งภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเทระก็พากันทำสักการะภิกษุนั้นภิกษุผู้เป็นนวั ก, กะบวชใหม่เหล่านั้น เมื่อเห็นดังนั้นย่อมปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นข้อนั้นย่อมมีเพื่อมีใช้ประโยชน์เกื้อกูลแต่มีเพื่อความทุกข์แก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนานกัสปะแท้จริงบุคคลเมื่อจะกล่าวถึงคนใดคนหนึ่งให้ถูกต้องควรกล่าวว่า ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ถูกอันตรายของผู้ประพฤติพรหมจรรย์เบียดเบียนแล้วผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งมีความประถนาเกินประมาณถูกความประทนาการประพฤติพรหมจรรย์เกินประมาณเบียดเบียนแล้วบัดนี้บุคคลเมื่อจะกล่าวถึงคนนั้นให้ถูกต้องควรกล่าวว่าผู้ประพฤติพรหมจรรย์ถูกอันตรายของผู้ประพฤติพรหมจรรย์เบียดเบียนแล้ว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 ภิกษุทั้งหลายเราสงัดจากการมและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ได้ตราบเท่าที่เราต้องการแม้กสปะก็ทําได้เช่นกันเพราะวิตตกวิจารสงบระงับไปเราบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้น ไม่มีวิตตบไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ได้ตราบเท่าที่เราต้องการแม้กรสปะก็บรรลุทุติยาฌานอยู่ได้ตราบเท่าที่เธอต้องการเช่นกันเพราะปีติจางคลายไปเรามีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยะฌาน ที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขได้ตราบเท่าที่เราต้องการแม้กัสปักก็เป็นผู้บรรลุตติยะฌานอยู่เป็นสุขได้ตราบเท่าที่เธอต้องการเช่นกันเพราะลาสุขและทุกข์ได้เพราะสุมนัะและโทมานะดับไปก่อน เราบรรลุจตุตถชฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่อยู่ได้ตราบเท่าที่เราต้องการแม้กสปก็บรรลุจตุตถชฌานอยู่ได้ตราบที่เธอต้องการเช่นกันเราบรรลุอากาศสาัญจายตนะโดยมณสิการว่าอากาศไม่มีที่สุด เราะลวงรูปสัญญาดับปฏิฆาสัญญาไม่มณสิกานานตัสสัญญาโดยประการทั้งปวงอยู่ได้ตราบเท่าที่เราต้องการแม้กส ป, ปะก็บรรุอากาศสานัญจายตนะอยู่ได้ตราบเท่าที่เธอต้องการเช่นกันเราบรรลุวิญญาณัญจาตนะด้วยมณสิการว่าวิญญาณไม่มีที่สุดอยู่ได้ตราบเท่าที่เราต้องการ แม้กัสปักก็เช่นกันเราบรรลุอากิญจัญญายตนะด้วยมณสิการว่าอะไรน้อยหนึ่งย่อมไม่มีแม้กัสปักก็เช่นกันเราบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะเราบรรลุสัญญาเวทายตานิโรธอยู่ได้ตราบเท่าที่เราต้องการแม้กัสปักก็เช่นกัน เราแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือกนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้ปรากฏหรือหายไปก็ได้พุดขึ้นหรือดำลงในแผ่นดินเหมือนไปในน้ําก็ได้นั่งขัดสมาธิหอไปในอากาศเหมือนนกบินไปก็ได้แม้กษัตริยก็แสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างเหมือนเราเช่นกันเราได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ ทั้งที่อยู่ไกลและอยู่ใกล้ด้วยหูทิพย์แม้กระสปะก็ทําได้เหมือนเราเช่นกันเรากําหนดรู้จิตของสัตว์และคนอื่นด้วยจิตของตนคือจิตมีราคาก็รู้ว่าจิตมีราคาหรือจิตปราศจากราคาก็รู้ว่าจิตปราศจากราคาเป็นต้นนั้นแม้กระสปักก็ทําเหมือนเราได้เช่นกัน เราเล่ารึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติกัสปะก็ทาเหมือนเราได้เช่นกันเราเห็นหมูสัตว์กำลังจุติกำลังอุบตัติด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าผู้ประกอบทุจริตเป็นมิจฉาทิฏฐิกล่าวร้ายพระอริยะตายแล้วจะไปบังเกิดในทุกติวินิบาตนารก แต่สัตว์ที่ประกอบสุจริตไม่กล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นชอบเป็นสัมมาทิฏฐิและชักชวนผู้อื่นให้ทำตามความเห็นชอบหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์เรารู้ชัดหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการชนนี้ได้ตราบที่เราต้องการแม้กัดสปะก็เช่นกันภิกษุทั้งหลาย เรารู้แจ uh, ้งเจโตวิม no. <that> ุตต์ป <that> <that S 1> ัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันแม้กัสปะก็รู้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันได้เช่นกัน ปัจจะยาสูตรว่าด้วยพระมหากัสสปะแสดงธรรมในสำนักภิกษุณีสมัยหนึ่งท่านพระมหากัสสปะพักอยู่ณเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระอานนอได้เข้าไปหาและชวนท่านพระมหากัสสปะไปยังสำนักของภิกษุณีแห่งหนึ่งครั้นในเวลาเช้าท่านพระมหากัสสปะมีพระอานนอ์ติดตาม เข้าไปยังสำนักของภิกษุณีแห่งหนึ่งแล้วแสดงธรรมมีคาถาแก่ภิกษุณีจำนวนมากครั้นแล้วจึงลุกจากอาสนะหลีกไปครั้งนั้นภิกษุณีชื่อคุลติสาไม่พอใจจึงเปล่งวาจาแสดงความไม่พอใจว่าเพราะเหตุไหร่เล่าพระกุลเจ้ามาหากศส ป, ปะจึงสำคัญธรรมะที่ตนกวนกล่าวต่อหน้าพระอานนุผู้เป็นเจ้า ผู้เป็นมุนีปราดเปลืองเปรียบเหมือนพ่อค้าเข็มสําคัญว่าควรขายเข็มในสํานักของช่างเข็มผู้ชํานาญชั้นใดพระกุณเจ้ามหากาสปะย่อมสําคัญธรรมะที่ตนกวรกล่าวต่อหน้าพระอานนท์ผู้เป็นเจ้าผู้เป็นมุนีปราดเปลืองฉั้นนั้นเหมือนกันท่านพระมหากาสปะได้ยินภิกษุณีนั้นกล่าววาจานี้จึงได้กล่าวกับท่านพระอานนท์ดังนี้ว่า ท่านอานน์เราเป็นพ่อค้าเข็มท่านเป็นช่างเข็มหรือเราเป็นช่างเข็มท่านเป็นพ่อค้าเข็มท่านพระอาหนนตอบว่าขอประทานโทษท่านกษัสริยผู้เจริญชื่อว่ามาตุกามเป็นคนเข่าหยุดเถิดท่านอานน์หมู่ของท่านอย่าดวนสรุปเกินไปนักท่านอานน์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 ท่นพระอานุนตอบว่าไม่ใช่อย่างนั้นขอรับท่านผู้มีอายุผมเองถูกนำเข้าไปเปรียบในหมู่ภิกษุเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าภิกษุทั้งหลายเราสงัดจากกามและจากอากุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมมชานอยู่ได้ตราบเท่าที่เราต้องการแม้กัดสปะก็สงัดจากกามและจากอากุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปถมมชาน อยู่ได้ตราบเท่าที่เธอต้องการและโดยในยะเดียวกันท่านพระมาหากัสปะถามกับท่านพระอนุนว่าได้ถูกนำไปเปรียบเทียบในหมู่ภิกษุเฉพาะพระภักในเรื่องต่อมาคือตั้งแต่ฌานที่สองฌานที่สามฌานที่สี่คืออนุปปภวิหารสมาบัติ9และอภิญญาห้าดังข้อความในพระสูตรที่แล้วนั้นท่านอานุ์ ได้ถูกนำไปเปรียบเช่นนั้นบ้างหรือไม่ได้รับคำตอบว่าไม่ใช่อย่างนั้นท่านพระมหากรสปะจึงกล่าวว่าท่านผู้มีอายุผมเองถูกนำเข้าไปเปรียบในหมู่ภิกษุเฉพาะพระภัคดิผู้มีพระภาคด้วยเรื่องอนุปุปภควิหารสมาบัติก้าวและอภิญญาห้านั้นเช่นกันท่านผู้มีอายุผู้ใดสำคัญผมว่า ควรปกปิดได้ด้วยอภิญยาหกผู้นั้นก็ควรสำคัญช้างเจ็ดศอกหรือเจ็ดศอกครึ่งว่าจะพึงปกปิดได้ด้วยใบายตาลก็แลภิกษุณีเชื่อทูลละติสานั้นเคลื่อนจากรมจรรันารเสแล้วจีวรสูตรว่าด้วยจีวร สมัยหนึ่งท่านพระมาหากัตริย์พักอยู่ณพระเวลูวันเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นท่านพระอานนท์เที่ยวจาริกไปในท่ากินาคีรีชนบทพร้อมด้วยภิกษุสงหมู่ใหญ่สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายผู้เป็นสัตธิทวิหาริกของท่านพระอานนท์ประมาณ30สรูปโดยมากยังเป็นเด็กหนุ่มบอกคืนสิกขากลับมาเป็นเข้าฤ ห, หัต ครั้งนั้นท่านพระอานนท์เที่ยวจาวริกไปตามชอบใจแล้วกลับมายังพระเวรุวันเกตกรุงราชฤกษ์เข้าไปหาท่านพระมหากระสปะถึงที่อยู่ท่านพระมหากระสปะกล่าวกับท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าท่านอานน์พระผู้มีพระภาคทรงอาศัยอํานาจประโยชน์อะไรเนอจึงทรงบัญญัติการขบฉันสามหมวดในตระกูลทั้งหลายไว้ ท่านกษัตผู้เจริญพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยอำนาจประโยชน์สประการ น, นี้คือเพื่อข่มบุคคลผู้เกอ้อเขินเพื่อความอยู่ผาสุขของเหล่าภิกษุผู้มีศีลดีงามและเพื่ออนุกราะห์ตระกูลมิให้เหล่าภิกษุผู้มีความปรารถนาชั่วอาศัยพักพวกทำลายสงให้แตกกันท่านอานนนเมื่อเป็นเช่นนี้ ท่านเที่ยวจาวริกไปกับภิกษุใหม่เหล่านี้ผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้ประมาณในโพชนะไม่ประกอบความเพียรเครื่องตือนอยู่เพื่อประโยชน์อะไรเล่าท่านเห็นจะเที่ยวไปเหยียบย่ำเข้ากล้าเช้ารอยจะเที่ยวไปเบียดเบียนตระกูลบริษัทของท่านดูร่อยหรอลงสถิตวิหาริกของท่านซึ่งโดยมากเป็นผู้ใหม่กระจัดกระจายไป ท่านนี้ยังเป็นเด็กไม่รู้จักประมาณท่านกัสปะผู้เจริญเส้นผมทั้งหลายบนศีรษะของกระผมงอกแล้วก็จริงถึงกระนั้นแม้ในวันนี้พวกกระผมก็ยังไม่พ้นจากการกล่าวว่าเป็นเด็กภิกษุณีชื่อทุนละนันทาได้ยินดังนั้นจึงคิดว่าท่านพระอนนท์ผู้เป็นเจ้าผู้เป็นมุนีปราดิ์เปลือง ถูกพระคุณเจ้ามหากาสปะรุกรานด้วยการกล่าวว่าเป็นเด็กจึงเกิดความไม่พอใจเปล่งวาจาแสดงความไม่พอใจว่าพระคุณเจ้ามหากาสปะเคยเป็นอัญญาเดียรทีจึงสําคัญพระคุณเจ้าอานน์ผู้เป็นมุนีปราดเรื่องว่าควรรุกรานด้วยการกล่าวว่าเป็นเด็กท่านพระมหากาสปะได้ยินภิกษุณีชื่อทูนลนันทากล่าววาจานี้แล้ว ลำดับนั้นท่านพระมาหากัสสปะจึงได้กล่าวกับท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าเอาเถิดท่านอานนท์ภิกษุณีชื่ออุลนันทาพูดอย่างพลุนพลันไม่ทันพิจรารณาเพราะเราปลงผมและนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบประชิตไม่รู้เลยว่าเราออกจากเรือนบวชเป็นบรระชิตอุทิศศาสดาอื่น นอกจากพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเมื่อก่อนเราเป็นขฤรหัดได้มีความคิดว่าครวาชั่งคับแคบเป็นทางมาแห่งธุรีบรรพชาปลอดโปรง่งผู้อยู่กรองเรือนจะประพฤติปรมจันท์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวประดุดสังที่ขัดแล้วไม่ใช่ทำได้ง่ายทางที่ดีเราควรปลงผมและหนวด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 ท่านผู้มีอายุผมนั้นได้น้อมศีรษะลงแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคณ์ที่นั้นเองกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเป็นศาสดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นสาวกเมื่อกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับผมว่ากัดสปัผู้ใดยังไม่รู้จักสาวก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 ในภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระผู้เป็นนวกะผู้เป็นมชิมะเธอพึงศึกษาอย่างนี้เพราะเหตุนั้นแหลกัสปะเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจะฟังธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งประกอบด้วยกุศลจะกระทำธรรมะนั้นทั้งหมดให้เป็นประโยชน์มณสิกาถึงธรรมะนั้นทั้งหมดจะประมวลจิตมาทั้งหมด เงยสโส ด, สดับธรรมเธอพึงศึกษาอย่างนี้เพราะเหตุนั้นแลกัสปะเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจากเวละกายคตาสติที่ประกอบด้วยความยินดีที่ประกอบด้วยความสุขที่เกิดจากปฐมฌานเธอพึงศึกษาอย่างนี้พระผู้มีพระภาคทรงโอวาทผมด้วยพระโอวาทนี้แล้ว เสด็จลูกจากอาสนะหลีกไปผมเป็นนี่บริโภคก้อนข้าวของราษฎรถึงหนึ่งสัปดาห์วันที่8อรหัตผลจึงเกิดขึ้นบริโภคมีสี่อย่างเทยะบริโภคบริโภคอย่างขโมยเช่นภิกษุทุศีลบริโภคอิ น, นะบริโภคบริโภคอย่างเป็นนี่เช่นการบริโภคของภิกษุผู้มีศีล แต่ไม่พิจารณาในเวลาบริโภคทายัชาบริโภคบริโภคยังเป็นทายาทเช่นการบริโภคของพระเสขะเจ็ดจำพวกและสามีบริโภคการบริโภคอย่างเป็นเจ้าของหมายถึงการบริโภคของพระขีณาสพคือพระอาหารหันต์ผมเป็นหนี้บริโภคก่อนข้าวของราษฎรถึงหนึ่งสัปดาห์วันที่แป อรหัตผลจึงเกิดขึ้นกล่าวนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จลงจับทางไปยังโคนต้นไม้แห่งหนึ่งผมจึงปูลาด้าสังาติที่ทำด้วยผ้าเก่าซ้อนเป็นสี่ชั้นถวายแล้วกราบทูลว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงประทับนั่งบนผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ข้าพระองค์ตลอดกาลนานเถิด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 ที่ทำด้วยผ้าเก่าแดบรักผู้มีพระภาคและได้รับผ้าปานบางสุขุลที่ใช้สอยแล้วของพระผู้มีพระภาคมาแท้จริงบุคคลเมื่อจะกล่าวถึงคนใดคนหนึ่งให้ถูกต้องควรกล่าวว่าบุตรของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้เกิดแต่อกเกิดแต่พระโอษฐเกิดแต่พระธรรมอันพระธรรมเนรมิตรแล้วเป็นธรรมทาญาต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 ผมสงัดจากกรรมและจากอากุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ตราบเท่าที่ผมต้องการและโดยในยะเดียวกันด้วยเรื่องอนุปปภวิหารสมาบัติ9และอภิญญาหตั้งแต่ฌานหนึ่งถึงฌานสี่สมาบัตและอภิญญาจนถึงทำให้แจ้งเจโตวิมุต ปัญญาวิมุตตอันหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันผู้ใดสำคัญผมว่าควรปกปิดได้ด้วยอภินยาหกผู้นั้นก็ควรสำคัญช้างเจ็ดอบว่าจะพึงปกปิดได้ด้วยใบตาลก็แลพิกสุณีชื่อทุลนันนันธาเคลื่อนจากพรมจรรย์เสร็จแล้ว ปรมมรณะสูตรว่าด้วยตถาคตตายไปแล้วเกิดอีกหรือไม่เกิดคำว่าตถาคตในที่นี้เป็นคำที่ลทัทธิอื่นๆใช้กันมาก่อนพุทธกาลหมายถึงอัตตาไม่ได้หมายถึงพระพุทธเจ้าสมัยหนึ่งท่านพระมหากาัส ป, ปะและท่านพระสาวรีบุตรพักอยู่ณป่าอิสิปนาเมรึกทายวันเขตกรุงพารณสี ครั้งนั้นท่านพระสาวรีบุตรได้ถามท่านพระมหากัสสปะดังนี้ว่าท่านกัสสปะหลังจากตายแล้วต ถ, า, ถาคตเกิดอีกหรือไม่หรือต ถ, า, ถาคตไม่เกิดอีกหรือเกิดอีกแล้วไม่เกิดอีกหรือเกิดอีกก็ไม่ใช่ไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่ท่านพระมหากัสสปะตอบว่าเรื่องทั้งหมดนี้ระผู้มีพระภาค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 เพราะเหตุนั cat, ้นพระผู้มีพระภาคจึงไม่ได้ทรงพยากรณไว้ถ้าเช่นนั้นพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณไว้อย่างไรเล่าพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณไว้ว่านี้ทุกข์นี้ทุกขะสมุทัยนีทุกขะนิโรธนีทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาเพราะเหตุไรข้อนี้พระผู้มีพระภาคจึงทรงพยากรณไว้ ท่านผู้มีอายุเพราะข้อนั้นมีประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งการประพฤติปรมจันทร์เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิง่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงพยากรณ์ไว้ สัตธรรมปฏิรูปกปะสูตรว่าด้วยสัตธรรมปฏิรูปสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระมหากปักเข้าเฝ้าทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เมื่อก่อนศิกขาบทมีน้อย ภิกษุผู้ตั้งอยู่ในอรหัตผลมีมากและอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บัตรนี้สิกขาบทมีมากแต่ภิกษุผู้ตั้งอยู่ในอรหัตผลมีน้อยพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากัตสปะข้อนั้นเป็นอย่างนี้คือเมื่อหมูสัตเสื่อมลงสัตธรรมก็เสื่อมสูญไปสิกขาบทจึงมีมาก และภิกษุตั้งอยู่ในอรหัตผลจึงมีน้อยสัตทธรรมปฏิรูปยังไม่เกิดขึ้นในโลกตราบใดตราบนั้นสัตทธรรมก็ยังไม่เสื่อมสูญไปแต่เมื่อใดสัตทธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นในโลกเมื่อนั้นสัตทธรรมย่อมเสื่อมสูญไปปทวีทาธาตุคือาธาตุดินทำสัตทธรรมให้เสื่อมสูญไปไม่ได้ อาโปธาตคือธาตุน้ำเตโชธาตคือธาตุไฟหรือวายโยธาตคือธาตุลมก็ทําสัตธรรมให้เสื่อมสูญไปไม่ได้ที่แท้โมฆะบุรุษในโลกนี้ต่างหากเกิดขึ้นมาแล้วย่อมทําให้สัตธรรมเสื่อมสูญไปเปรียบเหมือนเรือจะอับปางก็เพราะต้นหนเท่านั้น สัตธ ร, รมย่อมไม่เสื่อมสูญไปด้วยประการชนนี้เหตุปตายตำห้าประการนี้เป็นไปเพื่อความเลือนหายเพื่อความเสื่อมสูญไปแห่งสัตธรรมเหตุปัยตาห้าประการนั้นคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาในธรรมวิัยนี้ไม่เคารพยามเกรงในพระศาสดา ไม่เคารพย้ำเกรงในพระธรรมไม่เคารพย้ำเกรงในพระสงฆ์ไม่เคารพย้ำเกรงในศิษขาไม่เคารพย้ำเกรงในสมาธิเหตุไปต่ำห้าประการนี้เป็นไปเพื่อความเลือนหายเพื่อความเสื่อมสูญไปแห่งสัตธรรมกษสปะเหตุห้าประการ น, นี้เป็นไปเพื่อความตั้งมั่นเพื่อความไม่เลือนหาย เพื่อความไม่เสื่อมสูญไปแห่งสัตยธรรมเหตุห้าประการนี้คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาในธรรมวินัยนี้มีความเคารพยำเกรงในพระศัสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ในศิกขามีความเคารพยำเกรงในสมาธิเหตุห้าประการนี้เป็นไปเพื่อความตั้งมั่น